พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าชีวิตของข้าใครบอกว่าตายไม่เป็น แล้ ว, วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหลวงพ่อออกจากวัดไปนมนานแล้วก็เอาพระออกจากวัดไปช่วยงานหลวงปู่อีกเนี่เมื่อกี้ได้ถามพระว่าพระที่เฝ้าวัดของเราเท่าไหร่มีพระเฝ้าวัดสิบเอ็ดองค์ พระเฝ้าวัดสิบอ็ดองหลวงพ่อเอาไปช่วยงานถนนยี่สิบสององค์เลยแปไว่ายกไปทั้งวัดเลยนะแล้วก็วัดสาขาอีกมาเข้ามาช่วยวัดสาขาที่ออกไปจากวัดเราที่ไปเป็นวัดตัวยังไม่มีวัดเข้ามาช่วยทั้งหมดสิบเก้าองค์เป็นนั้นว่าพระเข้าไปช่วยงานหลวงปู่จามคราวนี้ไปวัดทุ่มเทยอย่างสุดๆนะ ยี่อองคีสิบเอ็ดองโยมผู้ชายยี่สิบสองคนที่ไปรับใช้พระทั้งขับรถทั้งอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับพระที่เข้าไปช่วยงานแล้วก็ทั้งแม่ครัวแม่ครัวจะไปทำงานอีกยี่สิบคนรวมกันลยี่สิบคนไปทำครัวเลี้ยงคู่คน พนันวัดของเราได้ทุ่มเทช่วยงานของหลวงปู่ของเราลงุงอ า, าของหลวงพ่อเนี่ยข่าวนี้เป็นว่าทำอย่างสุดๆทุ่มเททั้งกำลังคนทำทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์ทำด้วยความเต็มใจเพื่อจะให้งานหลวงปู่สำเร็จรุ่งไปด้วยดีแต่ผลงานงานที่ออกมาก็เป็นที่พอใจที่หลวงพอมองดูแลเป็นที่พอใจ ได้ขนาดนี้ก็เอาละเพราะทำงานใหญ่คนเป็นแสนพระเป็นหมืน่นโรงทานพันกว่าโรงทานพระสงฆ์พี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่ามาพร้อมกันคารวะองค์หลวงปู่ก็เสร็จสิ้นหลวงพ่อพอเจ็ดแล้วก็หลวงพ่อก็กลับวัดวันที่เจ็ด ไปชุมเพลงิงพระราชทานเพลิงวันที่ห้าวันที่หกเน่แจกอธิษฐานของท่านวันที่เจ็ดหลวงพ่อก็กลับวัดพร้อมกับพระสงฆ์ให้วัดสาขาจัตธาญาติโยมทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพี่น้องชาวบ้านช่วยกันเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยเอมื่อคืนเียวท่านหน่อยหุ่ยสวกเพิ่งมาถึงมาจันจังหันกับพวกเราวันนี้ ไปว่างงานเรียบร้อยหมดแล้วนี่แหละอันนี้ก็คืองานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่หลวงพ่อเคยพูดมาแต่ไหนแต่ไรบอกว่าหลวงพ่อจะเป็นภาระจะดูแลให้ดีที่สุดถ้าเราตายทีหลังหลวงพ่อจะเข้าไปดูหนักหนาอย่างไงหลวงพ่อจะดูศพของโยมพ่อโยมแม่หลวงปู่ล่า คุณไม่ชีแก้วหลวงตาหลวงปูจ่จามแปลว่าทั้งหกท่านอยู่ในใจของหลวงพ่อที่จะเข้าไปดูแต่บัดนี้ก็งานก็สําเร็จลุล่วงไปแล้วจบไปแล้วท่านจุตินิพพานไปหมดแล้วมรณะไปหมดแล้วหมดภาระในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลถ้าเป็นองค์อื่นๆก็เข้าไปธรรมดา อชีวิตของพวกเราต่อไปกั น, น่ะไล่ลงมาเรื่อยๆผลที่ถูกมาถึงเราเองเราจะคิดแต่ไปเผาตัวคนอื่นไม่ได้นะอย่าไปคิดแต่เผาตัวคนอื่นไม่ได้นะต้องคิดเผาตนเองด้วยนะเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของใครจะรับประกันได้อย่างพระท่านอาจารย์พระสุเทพที่มาทอดกรถินให้กับพวกเราเมื่อสองปีที่ผ่านมา แล้วก็ซื้อรถอัมแอ ม, อมบรันให้อำเภอหนองพอกแล้วก็ให้อำเภอนายุงแล้วก็ให้อำเภอน้ำโสมขันละล้านกว่าบาทแล้วก็ท่านมรณาภาพเมื่อวันที่หนึ่งม ก, กราห้าเจ็ดเนี่ยแล้วก็จะประชุมเพลิงวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงน่ยวันนี้มั้งประชุมเพลิงวันนี้แหละวันที่สิบเอ็ดมกราห้าเจ็ดวันเสาร์ ที่จังหวัดสระบุรีนะอายุของท่านก็เพียงห้าสิบกว่าปีเองแต่ท่านก็มาหาหลวงพ่อท่านได้เอ็มพีสามที่หลวงพ่อให้เป็นของหลวงตาบ้างของหลวงพ่อบ้างท่านก็ภาวนานท่านภาวนาพระองค์อาจารย์องค์นียท่านหมกคล้ายๆกับท่านภาวนาจะมันว่างไปหมดเลยทางจิตใจไม่มีอะไรเป็นนั้นเลย มันรู้สิวมันมันจิตใจมันไม่กระเพิ่มนลมองดูอยู่ตลอดเดียวนี้แต่ท่านดูดูแล้วเหมือนกับท่านพยากรพระอรหันนะแต่เราฟังฟังดูแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ท่านก็พูดลักษณะอย่างนั้นอย่าเราก็เออเอาดีให้คอยดูดูไปเรื่อยๆนะภาะวานาไปเลยดูไปเรื่อยมันมีอะไรไห ถ, ถ้ามีอะไรเราก็รู้ว่ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรเราก็รู้ว่ามีอะไร ก็บอกผมดูมาเป็นปีกว่าแล้วมันยังไม่มีอะไรท่านอาจารย์อออออกนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านภาวนาท่านองค์เนี่ยผมหลวงพ่อเองเมื่อได้ยินว่าท่านจากไปหลวงพ่อก็ไม่ได้อ่ามีแต่เออทําไมทิ้งทําไมปล่อยไปเร็วนักนี่แหละเขาก็มีมนุ์หลวงพ่อเหมือนกันจะให้ไปแต่หลวงพ่ออ้ พึ่งมาจากงานของหลวงปู่จามมาไม่ๆมห ม, มาดๆมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอีกต่างหากไปตลอนตลออย่างนั้นก็คงจะไม่ดีกับมั่งลูกหลานก็เลยสั่งให้ทางาลูกสิ์เอาผ้าไปถวายเอาปัจจัยไปถวายเอาเอ็มพีสามหลวงพ่อเข้าไปมอบให้ในงานศพสรีระของงานจบของของท่านให้ไปชุมเพลิงซะ หลวงพ่อมาได้ไปหลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีนี่แหละสรุปแล้วก็คือใครจะพูดได้ว่าชีวิตของข้าเนี่ยจะตายไม่เป็นรับประกันได้ไหมประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยมิต่ประกันหาเงินนะั่ะประกันจะไม่ให้ตายไม่มีใครที่จะประกันได้ความตายนี่แน่นอนที่สุดเกิดมาแล้วต้องตายคือเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเรื่องความตาย แต่อย่างอื่นไม่ไม่เที่ยงแทะบางทีอาจจะแปรผันอย่างอื่นแต่ตัวนี้เนี่ยเที่ยงแท้เที่ยงตรงเพราะนั่นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่ที่จะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อชุมชนสังคมให้ช่วยกันคิดช่วยกันทําและก็ช่วยกันมองตนเองไว้อยู่เสมอ โลกทุกวันเนี่ยมันยุ่งเหย improve, ิงวุ่นวายเพราะมันมองคนอื่นมันมองคนอื่นคนนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนั้นน่าจะดีอย่างนั้นคนน <een> is in right. ั <ma> no ่นน่าจะกระทำอย่างนี้มันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าทุกคนมองตัวเองหันหน้ามองตัวเองข้าพเจ้ามีจุดบกพร่องที่ตรงไหนที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าทุกคนมองตัวเอง เรื่องทั้งหลายคงจะน้อยลงกว่านี้หลวงพ่อว่านะแต่แต่วันนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะคนมองออกไปข้างนอกมากกว่าคนนั้นน่าจะทำอยางน้นคนนั้นน่าจะทำนี้คือแต่งอยากจะให้เขาทำเมื่อเขาไม่ทำตัวเองก็เดือดร้อนอะไนี้่แหละที่มันเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี่ก็เพราะเหตุนี้ลหละแต่บางทีมันเราอยากจะให้เขาทำแล้วก็มันคนนั้นก็ทำอย่างนั้นจริงๆ มันก็ไม่ดีจริงๆแต่จะทำยังไงถ้าบอกให้ทุกคนมองตอนเองเมื่อเขาทวงติ n งขึ้นมาเราก็มองตอนเองแต่ต่างคนก็ต่างมองเออใช่จุดที่เขาทวงติงมานั้นเราเป็นจุดที่เราทำไม่ดีจริงเราควรจะปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เขาทวงติงมาเนี่ยแหละอันนี้ทางต่างคนต่างลด ท, ท, ทิิมานะ ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างลงไปตรวงพ่อว่าโลกทั้งโลกก็คงจะสงบพรมเย็นเป็นสุขมากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้มันต่างคนก็ต่างไม่ลดลาววาศอกกันแต่ไม่มองตอนเองอีกต่างหากแล้วเขามองก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงโกหกไปอีกต่างหากไหลลื่นไปเรื่อยโกหกไปเรื่อย ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามชนชุมชนกลุ่มใดก็ตามทั้งชอบโกหกทั้งที่รู้รู้ทั้งที่รู้รู้แต่โกหกแต่ก็โกหกก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่โกหกคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีสรุปลงตรงนั้น แสดงว่าคนที่ชอบโกหกนะี่ยอย่าไปไว้ใจสรุปแล้วออย่าไปให้ความนับถืออย่าไปให้อย่าไปเชื่วยใจอย่าไปอย่าให้การสนับสนุนเอพราะคนโกหกทั้งที่รู้รแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นนะ่ะโกหกไปเรื่อยพอในสุดหาที่สุดไม่ได้เพราะชอบโกหกนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะใจของเราก็เหมือนกันนะ่ให้ย้อนมาหาตัวของเรา ใจของเราอยาโกหกตัวเองนให้ซื่อตรงสื่อสัตย์กับตัวเองนี่แหละถ้าพวกเรามีความชื่อตรงสื่อสัตย์กับตนเองอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดมีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่ความสุขความเจริญในจิตในใจอยู่ตามลาพังก็สบายใจมีความสุขนะอยู่นสถานที่ใดก็มีความสุขพะเหตุบ่าเรามองตัวเองผลในจุดเราก็ พิจนารณาร่างกายสังขารจะอยู่นานสักเท่าไหร่นะ่าเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะจากไปคุณงามความดีของเราเพียงพอหรื อ, อยังบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราพอหรื อ, อยังถ้ายังไม่พอเราก็ควรจะทำการทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะเปิดประกาศให้ใครใค ร, รู้ใครเห็นไม่ใช่ว่ายพระสวดมนต์นั่งภาวนา วันหนึ่งเราจะนั่งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีพยายามบังคับให้จิตใจของตนเองอยู่ในความสงบนี่บังคับกันไม่ใช่ปล่อยปปแล้วเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่หอนั่งเข้าไปปล่อยให้มันคิดมันอา่านปุ่งฟุ้งซ่านอันนั้นปล่อยใจบังคับบังคับไม่ให้มันออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับพุทโธนะเรื่อยบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็มีสติสัมปชัญญะหายใจออกก็มีสติสัมปชัญญะบังคับให้อยู่ดีกับลมหายใจเข้าออกสักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงได้ไหมนี่แหละอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องบังคับตัวเองต่อคุณงามความดีถ้าทำได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่าเราจะรู้ได้ จะปล่อยวางยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรความรู้เท่ารู้ทันเรื่องของเราเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นตนเองแล้วจะนี่นะจะปฏิบัติตนอย่างไรจะวางตนยังไง เ, เพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่วาจริงไหมที่พพทุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เหมือนน้ำค้างใบบัวนะ่กลิ่งไปกลิ่งมาอีกสักวันหนึ่งก็ตกลงไปใครจะรับประกันได้อย่างที่หลวงพ่อที่ยกขึ้นมาว่าที่ท่านมรณาภาพอนะายุเพียงห้าสิบกว่าปีร่างกายยังแข็งแรงแต่เส้นเลือดแตกในสมองพอแตกเสร็จแล้วกันนะองคจะเป็นเช้นเลือดใหญ่พอสมควรปวุณณสุกันมรณะภาพ ไปเลยนี่แหละเราจะไว้ใจในาธาตุขานร่างกายของเราไปขนาดไหนปวดทุกคนอย่างที่พวกเราเห็นนมาก็มาเห็นกันอีกสักวันหนึ่งหายเงียบไปไปไหนล่ะถ้าไปเมืองใต้เมืองเหนืออีกอย่างหนึ่งได้ยินว่าตายแล้วนั่นแหละเพราะนั้นก่อนที่เราจะตาย ให้ถามตนเองว่าคุณงามความดีบุญกุศลเพียงพอหรื อ, อยังบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้เนะี่ยเพียงพอหรื อ, อยังเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังพร้อมหรื อ, อยังถ้ายังไม่พร้อมก็พยายามประกอบคุณงามความดีอย่างที่ว่าวันหนึ่งพยายามบังคับให้นั่งภาวนา บังคับใจนะไม่ใช่บังคับนั่งให้เฉยๆนะถ้าบังคับให้มันนั่งเฉยๆใจยังเ อ, อือร่อยลอยลมไปอย่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกทางถ้าบังคับใจให้นิ่งให้ได้สักห้านาทีสิบนาทีสักสิบนาทีก็เถอะนะหรือยี่สิบนาทีก็เถอะสามสิบนาทีมีทวนแล้วเป็นคุณค่าทั้งหมดต่อไปไมันจะหเห็นคุณค่าแล้วขยันเองทีนี่ไม่ต้องบังคับหรอก ถ้าเราไม่ได้นั่งภาวนาแต่ละวันเหมือนกับมันขาดเอ่อมันขาดขาดตกบกพร่องอยู่ถ้าเราได้นั่งภาวนาเออวันนั้นสบายใจเต็มเต็มบริบูรณ์น่แหละถ้าเราทำสม่ำเสมอแล้วจะเป็นลักษณะนั้นขนาดนั้นนะคณะัทธาญาโจมลูกหลานนะต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร